เอาวางาวาวางไปไปไปฉันทบัญชามาโอ้นทบัญชาะไปชันทบัชามาฮะไม่ไม่มีขนมเหลือบ้างละอ๋อมีอยู่ที่หลือเต๋อโอ้วเนนคนเยอะว่ะทุกปีบนาชาปีนี้อยู่จนในเจ้าหน้าที่เขาจัดเขาเาไม่ค่อยเยอะสมบูลแบบเท่าไหร่เขากบบคนเยอะ เราไปเยอะจนเข้าไปถวายของยากร <c oughs> ับการได้ครับนอนหลับครับยานอนหลับใช้ยานอนหลับอ เ, เอาพุทโธเป็นยานอนหลับไม่ได้นหเอ๊ะเอาพุทโธเป็นยานอนหลับได้ไหมใช้คำพุทโธ<อ>ไม่ไดียินไม่ไดียิน ไดีไม่กีปู่บอกว่าให้ใช้พุทโธป็นยานอนหลับงานทำทุกวันงานไม่มีปิดนะปิดซีใหม่ก็ปิดปิดใหม่ปิดนแล้วปิีใหม่เพิ่งเปิดวันสองวันเนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนัยก่อนมคนเยอะกว่าตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นน ไม่ก่อนทาเยอะพิมเยอะคนคนใช้เยอะเดี๋ยวนี้เขามีไอ้เท่าฝามืออีเขาก็ใช่เขาก็ยังเดียวหนังสือพีม์อะไรอยู่ในนั้นหมดใช่ค่ะข่าวเขืออะไรอยู่ในนั้ละวันละวันก็อ่านแต่เฟซกเขาก็อ่านไม่หมดแล้วใช่ค่ะใช่แล้วถ้าทีมงานอะไรยังทำสมแบบมันอยู่็ยังทีมยังกลับแปลเปิดอะไรยังมยงกลับรายได้ก็เท่าเดิมเหมือนเดิมก็ก็ ก็ลดลงค่ะลดลองไปลดอกไปอยู่ได้ลดลงไปอยู่ได้ใช่ใดูท้ายไปไม er? ouais. ่ติดเดินเองได้เดินต้องถือไม้เท้านุ่นนุไม้เท้าต้องเดินหกขาต้องเดินหกขาต้องปลูกให้เดินหกขาจับไงแล้วแล้วฟอกไตวันอะไรวันจันทร์กับวันพระหัสจังค่ะจันทร์วันคานพุทธรหัสจบเสาร์ จันเว้นสองกับเว้นสามเว้นสองกับเว้นสามถ้าถ้าไม่ฟอกจะมีอาการอะไรขึ้นบวมบวมเสียสะสมแล้วก็ปวงปวมหายใจลําบากไหมลำบากขับถ่ายขับถายก็ลําบากอาจารย์ไม่เป็นที่หลังอาจารย์ไม่เป็นที่หลัง อาทิตย์ละสองครั้งกันกันใหม่เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี่ยังไปอยู่ยังไปที่แดนชาติอยู่กันใหม่บวยยังไปรับนิมนต์ไปตลอดกันใหม่ค่ะอืออยู่กับพุทโธนั่นแหละอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วก็ดูมัน ดูมันแล้วก็พุดโธพุดโธแล้วก็ดูมันดูมันแล้วก็พูดโธมันเป็นมันมันทำเรื่องมันทําหน้าที่ตามเรื่องของมันนี่มันทําหน้าที่ตามเรื่องของมันมันจะบกพร่องมันจะสมบูรณ์แบบมันก็ทําหน้าที่เบ็ดเสร็จในตัวของมันร่างกายมันทําหน้าที่เบ็ดเสร็จในตัวของมันจิตของเรามีอิทธิพล มีอิทธิพลตอนหอบหิ้วกรรมมามาสวมเอาเรือนร่างอันนี้มีอิทธิพลตอนนั้นหลังจากมาสวมเรือนร่างเอาเอามาแล้วเรือนร่างเขาก็ยังเป็นตัวของเขาอยู่แต่เรือนร่างกลายเป็นหุ่นให้จิตเขาเชิดได้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้พูดพูดเดินทําคิดอะไรต่ออะไรเพื่อรักษาตัวเองให้มีชีวิตขึ้น เดินถึงขีดสูงสุดแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงนี่คืออัตภาพร่างกายเราดูให้ให้เห็นข้อเท็จจริงพูดดูผู้รู้ผู้เห็นคือคืออีกต่างหากไอ้ผู้นี้คืออีกต่างหากมันไม่ใช่อง่เดียวกันคุณฟังออกไหมคุณฟังออกไหมคําลึกฟังไม่รู้เรื่องได้ยินไหมดียินนะปะหลวงปู่ท่านดียินแล้วปะปู่บอกว่าจิต จิตเรา อ, อ่ะมาเนี่ยร่างกายอ่ะมามามาใช้ร่างกาย <c oughs> ได้อีกปะ <c oughs> ให้ให้ให้กำหนดพุโทโธ <c oughs> ร่างกายเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ร่างกายก็เป็นกาย <c oughs> จิตก็เป็นจิตคนละสว่วนกันมันคนละสว่วนกันมันเจ็บเราก็รู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บย้อนมาดูผู้รู้ว่าเจ็บ ดูผู้รู้ว่าเจ็บ ม, มันก็ย้ยอนมาดูเจ็บย้อนมาดูกายย้อนมาดูผู้รู้ว่ารู้ว่าเป็นกายมันมันแยกกันโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าท่านพาภาษาวกปฏิบัติแยกกันได้โดยอัตโนมัติแยกจนหมดการยึดการถือความทุกข์มันก็เข้าไม่ถึงใจงท่านความทุกข์เข้าไม่ถึงใจ ภาวะของทุกเพื่อนจะรับทราบรับทราบรับทราบรับทราบรับทราบอันนี้มันเป็นอยู่างนี้บังคับให้มันดีขึ้นมันก็ดีไม่ได้เพราะมันมันเป็นใบเสื่อมแล้วผมว่าอย่างพวกเราเนี่ยพอถึงใบเสื่อมแล้วเสื่มลงเสื่มลงควรุนเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นหรอกความเสื่มลงเสื่มลงเสื่มลงพอเสื่มลงเต็มที่มันมันก็หมดยางหมดยางหมดระบบระบอกอะไรก็ปลอยเสียตัวอะไรก็ก็ไปไม่ได้กระจอด เหมือนเหมือนรถเหมือนเรือ <c oughs> เหมือนอะไรที่มันเสียเสียมันขาดระบบอะไรต่ออะไรมันไปไม่ได้ก็ไไจอดร่างกายเป็นอย่างนั้นมันทํางานตามหน้าที่ของมันระบบขับระบบย่อยระบบอะไ ร, ะไรต่ออะไรจับไตใส่พุงอะไรต่ออะไรมันทําหน้าที่ตามเรื่องของมันแต่เขาเก่งมากเ้าอยู่เจ็ดสิบปีแปดสิบปีเขาอยู่ได้เขาเก่งมากร่างกายมันเก่งมากเขาอยู่ได้เจ็ดิบปีแปดสิบปีเขาอยู่ได้ครับเออ เราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเลยเนี่ยผู้รู้ของเราเพียงแต่รับทานอาหารเข้าไปเป็นยาเป็นอาหารเป็นน้ําเป็นธาตุดินน้ําลงไฟไปด้วยกันหมดแต่หากมันปรับปรุงเจริญในวัยที่เจริญพอเจริญถึงขีดเต็มที่มันก็เสื่อมล ง, สงเสื่อมลงถึงวัยเสื่อมก็เสื่อมพอไปถึงวัยเจริ ญ, รญถึงวัยเสื่อมก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงสุดขีด ก็คือหลุดคั่วหลุดคั่วอจะเป็นผลไม้ผสกงอมันก็หล่นต๊กร่างกายก็หล่นต๊กแต่ใจไม่หล่นอ่ะใจไม่ตายอ่ะคใจไม่ตายหอบยิ่งกรรมไปหาเตือที่ใหม่ใจเป็นธาตุดิ้นโรงอยู ok ่ในโรคไม่ตายใจแต่หากเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิของตัวเองไปเรื่อยตามพฤติกรรมของตัวเองตัวเองทําพฤติกรรมอะไรบ้าง พฤติกรรมนี้เราสังเกตไม่ยากสังเกตมาที่จิตของเราจิตของเรานึกคิดเรื่องอะไรต่ออะไรบ้างเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรารู้จิตมันนึกเรื่องดีนึกเรื่องชั่วนึกเรื่องศีลนึกเรื่องธรรมนึกเรื่องสัมถทานนึกเรื่องที่ปรัสนาเนี่ยความนึกเหล่านั้นนึกนึนึกมากเท่าไหร่ก็คือกลายเป็นมโนกรรมใจมันนึกคิดมันกลับมันปรุง บาทีมันเป็นนึกแต่ซ้ำๆๆๆกลายเป็นวิบากกรรมถ้านึกแต่เรื่องดีก็เป็นวิบากกรรมเรื่องดีเช่นอย่างท่านให้นึกพุทโธพุทโธมีแต่เรื่องดีเพราะมันเป็นธรรมะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันกลายเป็นวิบากกรรมแต่ท่านนึกถึงเรื่องไม่ดีไม่นึกเรื่องศีลไม่นึกเรื่องธรรมนึกแต่เรื่องล่อบเรื่องโกหเรื่องหลงเรื่องกิเลสตัณหาราคะเนี่ย ถ้าเราปล่อยให้มันึกคิดอยู่อย่างนั้นมันก็สะสมของมันสะสมของมันสะสมของมันสะสมของมันภาวะสองอย่างนี้ห่างมันยืดแย่งในใจของเราบางการบางคราวธรรมะมันก็ออกมาแสดงบางการบางคราวกิเลสมันก็ออกมาแสดงนั่นแหละนั่นแหละคือต้นตอให้เกิดพฤติกรรมของเราพฤติกรรมตัวนี้แหละจะเป็นพลังไปกับจิตของเราหลังจากร่างกายหมดสภาพจิตก็ออกไปออกไปตามพลังของอันนี้ ถ้าสะสมในกรรมที่ดีมากกรรมดีก็ส่งไปในที่ดีสะสมกรรมที่ดีไม่ดีมากกว่าก็ไปในที่ไปในทางที่ดีไปที่ต่ําไปที่ต่าให้ทุกให้โทษไปที่ดีให้ความสุขความเจริญมนุย์เราชอบความสุขความเจริญแต่เราก็หลงเราก็หลงเผลอทําไอสิ่งที่ไม่ดีให้พลอยได้รับทุกได้รับโทษอยู่เรื่อยเพราะมันพัฒนาตัวของมันมาจนชิน เพราะาที่เราจะประบับปรุงให้พฤติกรรมวันนี้คงที่บริสุทธิ์มีสินมีมเต็มร้อยต้องยื้แย่งกัน <c oughs> ยื้อย่งกันไปยื้อย่งกันมายื้อย่งกันมาเสียงอะไรใส่ไหมสไหมเสีย ง, เ ส, ย ง, งเสียงดังเสียงดังเ็นตอนๆเลยอันนี้ลูกสาวไม่ใช่เลย น้องาวเจ้าค่ะู่ที่บอกาวพาวไอ้หมอเน่ไม่ใช่ค่ะเียนบัญชีก็อเนี่ยาวบัญชีเรียนปโทปัญญาติีเดี๋ยนี้ปยาโทตอนนี้เพิ่งจบกำลังจะอปริญญาโทปริญญาโทอ๋อลอยลอยเรียนหมอค่ะลอยเรียนหมออีกอีกสองปี็ตเป็นคลอยอีกสองปีคลอยแล้วก็าอกลเีย พ่อรออยู่ไหนพลอยเรียนค่ะปู่ทำถึงใครตาทำถึงใครพอเดี๋ยวลงมาจ้ะครับวันนี้พอหยุดพอดีจ้ะครับอ๋อพอดีเดี๋ยวนี้เขาไปประชุมหนึ่งเขาต้องจัดงานกีฬาธรรมศาสตร์กีฬาจะครับออกเป็นประธานสแตนจ์จ้ะเขาเป็นประธานอะไรนะประธานเชียร์กีฬาค่ะเป็นประธานของกองเชียร์กีฬาอ๋อก็เลยต้องเป็นกระการกองเชียร์ ไม่ได้ไปเร้าลิ้นอีกอ่ะไม่น้มเสียไปอันนี้ขาควาไม่ได้นี่เอาตรงนี้แหละเป็นเศร้าลิ้นพุทโธพุทโธเดินในนี้ได้เลยตั้งสติเข้าตลอดเพื่อที่จะปลุกธรรมะของเราให้ตื่นไม่งั้นมันพลังที่ไม่ดีมันมาทับสมติีของเรา เราทำอย่างนี้แหละสั่งสมนี้เห็นน้อยใจอะปุจนอาจินเอามันเป็นอย่างนี้แล้วน้อยใจโอ้ยน้อยอะไรเขามันก็มาเป็นของมันอะน่าน้ะน้อยใจเราไม่ให้มันเป็นมันก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นเราก็เลยยอมรับตามสภาพเออมึงเป็นช่างมันแต่แต่มันแต่มันไม่ใช่เราอะเราไม่ให้มันเป็นไม่ได้มันเรื่องของเราเหตุมันเรื่องของมันเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่เหตุปัจจัยของเราเหตุปัจจัยของเราคือเราเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนมันไม่เห็นตามเรา แสดงว่าใจของเราไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับอะไรให้เป็นไปตามใจหวาได้นี้แหละพุทธเจ้าท่านคิดจองขวัญว่าอนัตตาอนัตตากายก็นัตตาจิตก็อนัตตาท่านให้พิจารณาเพื่อเอาอัตตาออกอัตตาอัตตามันโผล่ขึ้นมาที่ไรเมื่อไรมันเป็นฝักฝ่ายของกิเลสทหาราะทักอัตตาแต่ถ้าถ้าอนัตตามันโผล่ขึ้นมาทีไร มันเป็นฝักใฝ่ของสิยงของธรรมและเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเบื่อหน่ายคลายจางแล้วก็ปล่อยแล้วก็ละแล้วก็วางในที่สุดจ้ะปล่อยได้ละได้วางได้ก็คือปล่อยทุกละทุกวางทุกวางทุกที่ทีทท่จริงที่จริง ท, ที่มันทุกเพราะว่าเราไปยึดเอาอคำว่ายึดตัวนี้มันเหนียวแน่นมั่นคงเราพยายามําความศึกษาอยู่ตรงนี้ แล้ววันวันนี้ไม่ได้เรียนเลยพอไม่ได้เรียนวันนี้วันนี้วันนี้วันอะไรไม่ได้เรียนวันนี้ช่วงที่ปิดเทอ ม, อมครับช่วงที่ปิดเทอมเหรอครับอ๋อแล้วยูบ้านทาอะไรนะฮะยู <c oughs> บ้านทำอะไรครับช่นทํางานก่อนเรืเ่อยเรื่อยเื่ออีกนานเท่าไหร่ได้ออกก็อีกประมาณ เ, เดือนก่อเดือนกว่าลจบจบมาแล้วจบพร้อมกันนะ อ๋อถ้าจะจบของพออีกปีหนึ่งปีครึ่งจบใครพอยอีปีครึ่งจบของเราอีปีครึ่งของ้าอีกปีครึ่งจบปริญญาโทจ้าค่ะแตอนนี้จบปริญญาตรีเจ้ะเราอีกปีครึ่งจบปริญญาโทพร้อมกันกับปริญญาตรีจ้ะจบปริญญาโทพร้อมไอ้ปริญญาตรีพาพี่ที่เรียนหมอด้วยเจ้ค่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วเขาเขาเข้าต่อเนื่องต่อเนื่องมาจากปริญญาตรี ใช่คนนี้เขาเป็นหลักสมสมุติสมมติเราจบปริญญาตรีปับป๊บเราไปสตาร์ทปั๊บให้มันสั้นเหมือนเขาอย่างนั้น่ะได้ไหมไม่ได้คจ้าเพราะอะไรเพราะหลักสูตรของ้องข้าวเขเป็นหลักสูตรห้ปีจบปริญญาอ๋อลหลักสูตรห้าปีป ก, ปกติธรรมดาต้อง3ปีปถึง4ปีใช่ไหมต้อง4ปีจบปริญญาตรีเจ้าปไม่ปริญญาโทไหมปริญญาโทต้องปกติเขาก็เรียนัน2ปีเ้่ะก็องปี2งปีก็เป็น6ปีเหรอค่ะเป็น6ปีหกปีก็ไม่นานปีก็ไม่นานดอก งามารรู้สึกหิวข้าวไหมรู้สึกหิวข้าวไหมไม่เลยครับแล้วทานได้ยังไงอ่ะท้องนื่ท้องอืดท้องเฟิรมไหมท้องตึงเต็มตลอดลึกๆนะลองดูว่าทานได้ไหมลองดถามว่าทานข้าวได้ไหมกินข้าวได้ไหมกินข้าวได้ไหมกินเยอะกินเยอะแล้วทายได้ตามปกติจ้าครปัสสาวะได้ตามปกติค่ะ อล้วแล้วที่ทีแล้วฟอกคือฟอกอะไรฟอกไตฟอกเลือดเจ้าคร่ะคุณถ้าเราไม่ฟอกมันเป็นอะไรถ้าไม่ฟอกก็จะมีของเสียเพราะว่าไตมันขับของเสียกับขับน้ําไม่ได้เจ้าคุณตัวก็จะบวมจากน้ําแล้วของเสียที่ออกไม่ได้ก็จะสะสมอยู่ในร่างกายก็ทําให้ทั้งระบบเสียหมดสมองเสียทุกอย่างเสียหมดเพราะของเสียมันสะสมเจ้าค่ะก็จะเป็นผลเสียมันเป็นพิษอยู่ในร่างกายฟอกเนี่ยต้องลมานมั้ยฟอก กทรมายตายตายก็ตายทรมานอะเราจะเลือกฟอกตอร์กังหันบ่อยเวลาใช้ฟอกเตอร์กังข้อบ่อยร็เฮ็ดบ่จยจนเหนื่อยจนเหนื่อยใเตดูเลือกทายเลือดครังละนานเท่าไหร่หชั่วโมงอาูไม่ถนะอุ่ยกุยเตียมุยเต็มจริงสี่ชั่วโมงเอ๊ะว่าจะไม่ฟอกยังไงเท่าชั่วโมงอ่ะ อันนี้ก็ตั้งแต่6กโมงถึงสิบโม6หมงถึงส0บมงค่ะมงเช้าถึงสี่มงเช้าแล้วก็ฉันรายได้ตามปกติก็ดูแลประครประกองไว้รู้หลักของใจก็ทั้งใจภาวนาแบบที่ว่านี่แหละยังรักษาประกองจิตของตัวเองให้สว่างให้ตื่นอยู่นี่แหละโดยที่จับเอาพุทโธมามัดในกำมัน จิตของรำจะได้ตื่นมันจะได้ไม่วิตกไม่กังวลไม่กลัวไม่อะไรอะไรมันอาจาันเพรมันมองเห็นของจริงของจริงคือร่างกายาามองเขาให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเขาไม่ได้มันเป็นไปตามเรื่องของมันให้ดูของจริงดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยดูกายแล้วก็ดูมัดที่ยิดจิตของหลงักจิตมันยึดถ้จิตจิตมันยึดไหมถ้าจิตมันยังยึดอยู่เราก็พยายามดูให้ได้แยกให้ออก คิมันไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราท่านได้สอนตัวเองอย่างนี้ทั้งๆที่เราก็มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันแต่เราพยายามตั้งใจบอกตั้งใจสอนตัวเองเพื่อไม่ให้ใจของเรามันยึดถ้ามันค่อยให้มันรู้จักปล่อยให้รู้จักวางถ้ายึดก็คือยึดกองทุกถ้าปล่อยก็คือปล่อยกองทุกทุกเกิดขึ้นจากที่เรายึด ไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังเหรใส่เครื่องได้ั้มเอาเครื่องมาใส่ได้ั้มปกติใช้อยู่ใช่ไหมมีมีมีมีเครื่องปกติอาจารย์ที่อาจารย์เอาเครื่องมาให้ฟังคือพี่เลี้ยงอ่ะก็มีมีพี่เลี้ยงเจ้าพี่เลี้ยงเมื่อถามพี่ออกไปข้างนอกหรอไม่เขาที่ ต้องต้องใส่เครื่องแลจะได้ดีๆใส่เครื่องได้ยินจะได้ยินเยอะเได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างใช่ใส่เครื่องได้ยินตลอดใช่ไหมถ้าใส่เครื่องได้ยินตลอดไปคะบางที่ไม่ได้ใส่เครื่องถ้าใส่เครื่องมันก็พอใส่นานๆก้ามันก็เหมือนเก่าอไม่ชินป้าใส่ นี่มันขยายในตัวเหรอเป็นเครื่องขยายเสียง แ, แ, และอะไรมันไอ้แห ม, มขึ้นมาเนี่ยอะไรเอาไว้แบบดึงอ๋อสลับด<ม>ึง<ม>อันนี้กัดเหนียวเลยเราคิดว่ามีสายมีอะไรมาด้วยเห็นก็ใช่มีสายมีมันมีสาย้ไม่ต้องมีสายที่นีนลำพองพอดีกับกับคูมเป็นลำพองเป็นขยายในตัว จะยินเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งได้ยินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งแล้วไปเที่ยวไหนบ้างพอไปเที่ยวไหนบ้างแล้วอยู่บ้านทำอะไรอ่านนิยายไม่อยู่บ้านฮะไม่อยู่บ้านประจ ա งกิจกรรมนี่น้ำอะไรหนึ่น้ำอน้าขิงกคน้าขิงกับน้าชาขิงน้าชา เพชรยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่โอ้ยไม่เป็นไรเลยเจ้าพ่อเดี๋ยวสั่งไม่ไม่มมีขนมไม่อะไรเยอะไม่กินงเดี๋ยค่ะป้ามาอธิษฐานจะให้หลวงปู่ทำบางสกุรู้ว่าเหลือหลายคืนเดีคืนเดียว้ไม่เป็นอะไรอธิษฐานการเดีค่ะเดี๋ยวอิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรม่เเจ้ากรรมนายเวรเจ้าทงสิ่งที่มาก่อหวังอันอีสองจากการทาบุญ ช่วยให้สุขภาพร่างกายอย่าให้ได้ทุกข์อย่าให้ได้ทรมานให้ใจสว่างจะอยู่ก็ตามจะไปก็ตามให้เป็นสุขอไม่เป็นอะไรที่อธิษฐานได้อธิษฐานอ่าอธิเสร็จย่างอธิษฐานเสร็จย่างเออาักให้จ้ะ นิจาวะสังขาราุปปาทวะยะธรรมีโนปจิตวานิรุต t ารที a เกิดสร้างอุปสมบทโอสเพสตามรันติจะมริสุจามริสเรตเทวังมริสสามินัชิเมเอตสรงสโยอิมังฟังสุโคลีโยรังสัตสัมิจัมห่งฟาปนาทิมังฟังสุโคลีโยรังสัตสัมิจัมหงาปนาิมังังสุลรงสัสมิจมหงาปนาิ หาลามาแตงโมพอดีน้องเปี๊ยกพอดีกลับมาแล้วก็ให้น้องเปี๊ยกไปช่วยหารองเท้าได้มาสี่คู่จ้ารงเท้าแบบไหนรองเท้าที่ผมปุยใช้นี่แหละดยประกบเพชรเอาติดกต้ไปสวนด้วยแต่แตไอตัวไอตัวเล็กไอตัวเล็กใส่ไม่ค่อยมันไม่ค่อยดังเ่ไม้่ตแต่เป็นสสีดังเกาะกะกาป็นหลวมเนได้ดีกว่าถ้าไม่ไม่ดังโอ้ยดังชอเงียบที่สุด ข้อรุ่นนี้เลยกลับมาฉันไม่มีเวลาบอกเปรียมเปียไปซื้อได้มาสว่คู่นะจอาสวายอามาสวายโดับยึดับยึดจับจับยับยึดบจยึดบยึดจััยึดจบยึดจับยับยึดัั วางวางวางางวางรับอวาที่วางมีอยู่ติดบ้านนะจะต้องไปกราบพระก็จะได้อีกอะไรเตรียมพร้อมทุกอย่างเเพชรนี่แหละไปเทลาทีก็ห่อไปงี้แหละเตรียมเก่งทุกเตรียมเก่งไปก็แจกกัไอ้จา์ฉันหมดเลยแหละบางทีอยู่เขาเมือนเหลือแหละบางทีฉันไม่หมดก็เหลือกลับลูกสาวนี่เพชรนี่คนที่สองนะฮะอูก ทำบุญกะโหลกคู่ได้เก่งมากเลยเก่งมากแต่ไม่ได้พาแม่ไปเลยแน่นแน่แไม่ได้พาแม่ไปทำรมัดตัวมนค่ำปีเลยแล้วคุคุณนะแล้วคุณคุณมันมีวันนึงบอกไปได้ให้เม่ตามได้ป่ะก็กลัวแม่นั่งไม่ได้ใช่แม่บนแต่หัวเขานี่ถ้าไม่เดินสบายมากแม่แม่แม่จินดาจินดาใช่ไหจินดา แม่จินดาแม่จินดาเจ็ด เ, เจ็ดหเท่าไหร่ปีเที่จริงต้องเ้ไม่ใช่ปีมาประมาาอืโอ้7จ็ดส0บหกดยินยยนยอยุยืนยืนสา ีมันขวัยืนได้เห็นลูกได้เห็นหลานพอดีมือข้างนี้คุณพ่อตอนนั้นเป็นสัรูขึ้นมายังยังยังไม่ได้เห็นเหลนใช่ไหมยังรอพ่อตอพอมีไม่ไม่ไม่ให้พอบวชเลยไพบวชี่จบจปริปเรียนให้จบปริญญาเียนให้จบกลให้จบปรอรแล้วมาบวชอย่างน่าพอบวชดีใจแล้วแต่พ่อ เม่แยบมน้ำประวัตจังข้าวทเด็กาแคูดใส่ไปแล้วหอ่ันจะสั่ไม่ต้องอ๋อเราขูดชั้นชั้เช้าไ้ชั้นเช้าบินตะบาท6หกมงครึ่งที่แบงคชาติอ๋อเราขูดได้กี่มือคะมือเดียวมือเดียวเหรอโอยมือเดียวก็พอแล้วมือเดียวยังเหลือเฟือถ้าอยู่วัดอดอีกผมกล่าวว่าจะชั้นที่สวน เพราะสวนไปนอนหลายครั้งไม่ได้ฉันให้เขาที่สวนที่สวนท่านทำในที่สุดก็ท่านก็คิดเอาเองท่านไม่ได้ประสานมาทางนี้แต่เมื่อกี้คณิมน์ให้ท่านมาท่านก็ตัดสินใจไปชื่อื่นก่อนแล้วเพจบอก้าไปทีที่ถ้าบอกเราก่อนเราก็อาจจะประสานก่อนก็ได้เพราะเพราะเมื่อวานท่านแรลรอบเรื่องนี้ก่อนเลยเมื่อวานเจอหน้ากัน เราบอกาเาฉันที่สวนเปิดบอกเฮ้ยไปฉันนี้เพลทไปฉันนี่เพลทที่เราก็เห็นว่าทางนี้ไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะเราเคยมาแล้วมันไม่สะดวกมาอย่างงี้สะดวกมาฉันด้วยอะไรด้วยมันเป็นเรื่องใหญ่หน้วันไหนจีนหน้าโอ้โอ๋อนี่ลูกทำพระเนาะ รูปทำพระรูปปูฟันนะจ๊รูปที่เพชรไปภูรณะองค์พระหลือปูฟันที่ปูหัวนะจ๊ะรูปนี้คือตอนที่ไปที่อทบอกว่าหลวงปูฟันเป็นปั้นแล้วก็กับ<อ>ขี้ช้างนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นปูนองหอ่า <ใช S 1> เป็นไม่เป็นปูจะค่ะคือจะเฉพาะเสียงเป็นปูแต่ว่าตรงองค์ท่านเป็นดินอยู่ยังเป็นดินอยู่ตอนที่ไปขออนุญาตปูเถียนขึ้นไปส่งน้าพระอุราถูกจอดแล้วแลตรงนี้น้ําฝนฝนไม่ถูกใช่ไหม กรถู่เพราะมันเป็นเป็นเหมือนหน้าผาลงมาฟวนถูกอยู่ถูกอยู่เจ้าค่ะทำไมถอนได้แต่ตอนน้เียตอนนี้ไม่ได้เป็นทนเสียตอนนี้ไม่ได้เป็นทันทีแล้วใช่ไหะเพราะว่าตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม้มันใช้กพเอาปูนเอาปูนไปอบก็ได้เนาะเจ้าค่ะเอาปูนไปอบแต่งขึ้นใหมเลยไปเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์นี่น้องสุดท้องเหรออนคนทีฮะ นี่นี่พี่สาวนี่น้องคนที่3เพชรคนที่สอที่มมีน้องทมีมีคนที่4คนที่้องชายสคนอ๋อน้องชายอีกสองคนอีกอ๋อตอนนี้ตอนนี้เขาแยกเาแยกไปอยู่ที่เาละอ๋อแยกไปทั้งเลยเออทั้งสอง๋อแต่ไอคนเล็กก็ยังไปไปมามาอ่านงมนั่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็องดิมแล้วก็เราก็ดูแล จะเป็นเตี้ยดูแลเียดูแลกคนเี้ยดูแลเป็นหลักเตียดูแลเป็นหลักแล้วแก้วขึ้โตไปทำงานนอไปทางานนอบ้านแล้วเป็นขาดงานบ่อยใช้อใช้ลาก็เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ตามไปพุทธธรกับครูบาอาจารย์เ็แล้วก็อนนู่นไปภาวนาข้ามปีที่อ้ำแถวอ่ะ สองสวันยังไงสองคืนได้สองสงสัยสองคืนสามวันเราก็มีเวลาเราก็ฝึกเอาดัดแปลงเอาบึกบืนเอาเป็นการเป็นคราวถ้าตั้งใจ บ, บึกบืนเต็มจริงๆเต็มที่ก็ต้องเห็นโทเห็นไฟเต็มที่เป็นไร ห, หมดภาระปลดเปลื่องภาระหมดทุกอย่างเพื่จะทําได้เต็มที่อย่า <c oughs> งนั้นทําได้ไม่เต็มที่เราใช้เป็นเวลาปลีกเราก็ไม่เสียประโยชน์หรอก สะมันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยคือทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะโดดเอาทีเดียวสูงขึ้นเลยก็โดดได้ยากต้องค่อยๆข ย, ยับไปต้องค่อยๆข ย, ยับขึ้น <c oughs> แต่อยากถอยหลังก็แล้วกันไม่ถอยหลัง <c oughs> ทิ้งอะไรมุ้ยช่วยเอาน้องปูอืมคนที่สามเนี่ยอาเพชรอาเปี๊ยะอ่ะอ่าม่ยอมแต่งงานเลยก็ดีเลยอ่าไม่ต้องแต่งนิ่นิ่แต่งกระทุกมากทินาหวงว่าเดี๋ยวพ่อแม่ตายไปแล้วเขาหลือคนเดียวปิด จะทำยังไงโอ้มีปัญหาเราตก่มีมีปัญญาแก้ไขตัวเองเป็นห่วงตรงนี้มากมีปัญญาแก้ไขตัวเองไม่มีหรอคนมีปัญญาคนมีปัญญาแก้ไขตัวเองนี่คือห่นี่เขเป็นห่วงมากเลยจังเลยเราเราก็ห่วงว่าถ้าลูกเราไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานแล้วยังไม่มีลูกคอยดูแลตอนแก่ใช่บางคนก็ตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งไปเลยตัดมาเขบอกว่า การที่เขาการที่เขามีผัวมีเมียแล้วก็มีลูกทุกเพิ่มอีกเขาไม่ต้องมีเขาอยู่อย่างนี้ไปแต่ถ้าแสวงหาแสวงหาทางที่มีความทุกขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะพอถึงตอนแก่เราก็ต้องฉลาดหาที่พึ่งให้กับเราเองมันไม่ยากเราฉลาดหาที่พึ่งให้กับตัวเราเองมันไม่ใช่มีบ้านอยู่คนเดียวแล้วเราเร า, เรามานั่งโทษอยู่คนเดียว แล้วก็มีสติมีปัญญาพิจารณาแก้ไขใช้สอยไปหากถึงคราวครับขันหากมันมีปัญญาข้องมันเองอ๋อค่อะเออาจะได้หมุดห่วงใช่ไม่ต้องห่วงพูดใจได้หมดห่วงไม่ต้องห่วงแต่เห็นเพื่อนเพื่อนบ <ยะ S 2> างคนแต่งงานครับเป็นเยาว่าเยวายว่าแต่ระดับพวกเราเลยระดับสมัยพุทธกาลเนี่ยมีแต่ลูกเศรษฐีเท่า น, นั้นอ๋อไปบวชทิ้งเลยพ่อแม่ให้มีลูกมีเจ้ามีอะไรก็ไม่เอาทิ้งไปบวชเลยพ่อแม่ม่ให้พ่อแม่ไม่ให้ไป พ่อแม่มให้ไปนอนอดไม่กินข้าวยอมตายอพ่อแม่ก็เลยได้ข้อคิดอืถ้าเราไม่ให้เขาไปเนี่เขาอาจจะตายแต่ถ้าหากเราให้เขาไปถ้าตัวเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราได้เจอหน้าเดี๋ยวเขาได้กลับมาอถึงเขาไม่กลับมาเราก็มีโอกาสได้เจอหน้าเขาถ้าเขาทุกข์มากเขายากลําบากมากเขาอยู่ไม่ได้ครับจะต้องกลับมาหาเราเหมือนอย่างลูก ลูกของสุลูกของสุโภชนะเนี่ยพี่น้องของอนุทัศน์มหานามะเนี่ยพระคันลาออกบวชเลยทั้งหมดเลยเนี่ยพราแม่วางจะสืบสืสกุลอะไม่ให้ขัลาคอลาออกไปบวชตามภูติจกักไม่ให้ไปคอลาออกไม่ให้ไปทีนี้เราห้ามก็ไม่ได้หรอกพระเจ้าสุโภทนะก็เลยบอกว่าเราห้ามก็ไม่ได้หรอกขณะจิตศัทธาเราพยายามกีดกันทุกอย่างไม่ให้เขาออกไป แต่ด้วยบุเพบุญญาบา ร, รมีของเขาถึงที่แล้วเราห้ามเขาไม่อยู่หนะรอกถ้าปล่อยเขไปเธอถ้าเพื่อเขาทุกอย่างลำบากเขาอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็กลับมานะแต่ถ้าเขาไปแล้วเขาไม่กลับมานะก็คือเขาถึงดีของเขาเองเราก็ภูมิใจที่เขาถึงดีของเขาเองกนะารที่เราห่วงก็นะคือเราก็เพิ่มทุกก็มาอีกนะคือคนเราเป็นมีเสถียรมีบุญญาของเขาตัวเองมันมีโอกาสนะได้ช่วยเหลืตัวเอง ทุกคนแล้วก็ให้ความฉลาดเข้าหมดแล้วเนี่ยทั้งลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเราให้ความฉลาดเขาหมดถึงเขาครับขันเขาก็ชื่อเหลือตัวเขาของเขาเองแต่ข้อสําคัญพยายามปลูกฝังให้เขามีสิมีธรรมเพราะการมีสิมีธรรมนี่จะทําให้เขาไม่ออกนอกโูกนอกทางไม่เป็นการซ้ำเติมให้เขาทุกจนเกินไปถ้าไม่มีสิมไม่มีธรรมทุกมากทุกจะไม่เป็นผู้เป็นคนเลยทุกคนบางคนติีกันจนค่าวผูตายอ่ะ มันมันกรรมมันพัดผมันเนื่องจากมันผิดมัตผิดธรรมไปผิดร่องผิดรอยแต่ถ้าเขาอยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยสิ่งธรรมมีพลังมีอานิสงค์คอยช่วยพยุงเราคอยช่วยเหลือเราได้ยินใช่ไหมได้ยินไหมใส่หูแล้วเนี่ยได้ยินมากได้ยินมเอาคุยมั่งคุยมั่งตามี่แกมคุยกับปู่ด้วยคุยกับลุงด้วยม่จะคุยอะไร <emás S 2> เอ๊ะนั the the ่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรก็ต้องนั่งภาวนาตลอดเรื่องคุยไม่อดเยอะแยะเลยนั่งคุยอยู่คนเดียวเนี่ไม่มีอะไรคุยก็นั่งพูดโทพูดโธนี่คือคุยคุยอยู่กับตัวเองพุดโธพูดโทพุดโทยืดพุดโธเดินพุดโธทำพุดพูโธพุดโธเราก็จาะมารู้สึกพุดโธแล้ก็จ่อมารู้สึกพุดโธแล้ก็จาะรู้สึกดูแค่นี้แหละ เราจะอยู่อย่างสว่างอยู่ไม่ได้เราไปไปอย่างสว่างไม่งั้นมันจะไปมืดเราเาพิเจริญดุลหลับตาปั๊บไปมืดโอ๊ยไปไหนท <laughs> ี่ไปไม่เจอพระเจ้าประานประสงค์เนี่ยช่วยชี้ทางเราให้เราไปหาที่สุข <laughs> ไปหาที่สว่างรู้ที่ดีรู้ที่ชั่วรู้ที่หลกรู้ที่ลนี <laughs> <laughs> ถ้ า, ามืดไม่มีช่องไม่มีทางเลยไปตกลุกตกล่องตกเหวตกบ่อตกควากน้ำมันน่ากลัวมันเป็นคาพูดอุปมาเท่านั้นเละทางเดินของใจของเราเช่นเดียวกันหลวงปู่คงอยากให้แค่พูดพูดกับหลวงปู่ถามอะไรก็ได้ถามหลวงปู่ <laughs> ถาวมาอะไรอะไรถามได้ต้น อ, อย่างเจะถามหลวงปู่ ทำเมี่นะทำไมเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็จะสอนเออทำไมร่างกายอย่างนี้หลวงปู่จะสอนสื่อาเราศึกษาดูตัวข้งตัวเราเนี่ยอ๋อมันต้องเป็นมันไม่ใช่เราเป็นมันต้องเป็นมันเป็นอยู่อย่างนี้มันต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตอนนี้มันดีมันยังมีภาวะอย่างนี้ต่อไปมันขยับขยายไม่ได้ระบบนุ่กระเสียระบบนี้ก็ผิดระบบระบบนั่งกระขัดมันไปไม่ได้อ๋อมันไปไม่ได้แล้วรับฟอยมัน เราปล่อยมันร่างกายแต่สลายได้ใจไม่แตกร่างกายต้องตายแต่ใจไม่ตายใจไม่ตายเราเราไม่ต้องอยู่กับไสิ่งที่ตายเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ตายเราอยู่กับใจเกาะใจเกาะผู้รู้ของเราเกาะปัะ๊บเราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์ตามมันปล่อยมันทิ้งมันการที่เราปล่อยได้เราทิ้งได้เราได้สมบัติดีกว่านี้อีก ใบสมบัติใหม่ดีกว่านี้มีคุณค่ามากกว่านี้อีกนอนพุ้ยโทรยืนพุ้โทนั่งก็กุ้โธนอนก็พุ้โทยืนเดินนั่งนอนก็กุ้โธดีไหงคุโทดไหมอ่าุยโต่้องุโรไหนไหนนอ้ยก็ปาสังคาเราไม่ได้อำมาเนาะมต้องคิดมาให้กุ้รไม่ไม่เอาเอาเทศ์ลงตาอะไรมาเปิดให้คนฟังไหม เอมพี่สามอะไรทำไปเยอะๆเอามาไว้ให้พ่อฟังบ้างไหมพ่อได่ไปฟังแบบนัพ่อฟังยังไงพ่อเมื่อก่อนพ่อเคยชอบฟังพ่อจาระงตอนสมัยดีๆก็ฟังที่เปิดฟังแต่เดี๋ยวนี้พอไม่ค่อยดีก็เลยส่วนใหญ่พ่อลำคาญก็เลยไม่ใส่เครื่องช่วยฟังนะจะพ่อพ่บอกมันลำคาญเสียตอนนอนก็ไม่ได้ใส่แล้นึกอะไรบ้าง นั่งอยู่คนเดียวนึ่งนัซื่อๆนึกอะไรบ้างคิดอะไรบ้างเสียวมิจายได้เสียวมิจายเราพานั่งคนเดียวป้าคิดอะไรเวลานั่งคนเดียวคิดอะไรหปู่ถามก็อยู่เฉยๆไม่คิดอะไรไม่ใช่ราไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องทาความรู้ตามมันเราต้องอยู่กับผู้รู้ของเราสนใหญ่จะดูทีวีเนี หาซีดีทำให้ดูหาซีดีทำให้ดูีดทดดีที่มีโดยเฉพาะซีดีลงตาเนี่ยมีรูปพระมีอะไระเยอะแยะรูปที่ลงตาท่านไปรับพระปาาที่นู่นที่นี่ะีีีีีทีวีลงตาทีวีเปิดดูได้ไหมมีรูปพระมีอะไรเยอะ ใจของเราฝักใฝ่ในเรื่องบุญเวลาเวลาใกล้จะตายบุญปรากฏเหมือนคุณเทวราเนี่ยตอนแรนที่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่รู้สึกตัวสามวันเพื่อนว่าเพ่นตายแล้วปรากฏวันละเต็มนางสวดเต็มไปหมดเลยอ่าคือจิตมันไปเห็นละสวดเต็มความรู้สึกเพื่อนเพ่นว่าเพ่นตายเพื่นตายแล้ว แต่ว่าไม่เห็นมีรถมราร้าเป็นวะไม่เห็นมีรถมรา้าทําบุญไว้มากหวังเพึ่งบุญเราก็ต้องหวังเพึ่งบุญแบบนั้นแหละมันจะทำให้จิตของเราฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่สูงจิตจิตที่มีบุญมันจะมีฝักใฝ่ที่เป็นฝักใฝ่บุญเถวอู ว, ว, วดาหรือนิมิตบุพเะนิมิตที่ดีงามมาปรากฏให้เราเห็นพอเราเกาะปักมันก็ไปเลย แต่ถ้าเป็นนิมิตตำตำชั่วชาลามกหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าอะไรมาปรากฏปั๊บใจเราไปเกาะปับ๊บเราก็ไปเข้าถึงอันนั้นเลยจิตของเรามันโน้มเอียงมันโน้มเอียงไปกับเขาเรียกว่าอาสันะกรรมอาสันะกรรมอันที่ให้เราะมัดระวังมากๆเลยกรรมนิมิตรกรรมนิมิตรกรรมนิมิตเนี่ยบางทีเราไม่มีเจตนาอะไรดอกด้วยเหตุ ้วยเหตุที่มันมาแสดงปรากฏบอกวาระสุดท้ายมันเป็นนิมิตมาปรากฏจิตของเราก็เกาะมันทามันเกาะได้ตามพลังของกรรมถ้าพลังกรรมของเราในทางที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายมาปรากฏปับ๊บเราก็ยืดเราก็เกาะพอเราออกจากร่างปับ๊บเราก็เก่ะ น, นู่นเลยมันก็ไปเกิดไปนู่นแต่โดยเหตุที่นิมิตที่ดีที่เราเคยเกี่ยวข้ อ, ของผูกพันมานี่ พอเราเห็นปั๊บเราก็เกาะเกาะปับใจขาดปั๊บเราก็ไปสู่ที่ดีทันที่ให้รวาวังที่สุดแต่การมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราจะไม่ไปต่ําเราจะไปสูงกานที่เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวสติคือรู้รู้อยู่เนี่ยว่าเรานั่งยิ่งเราปลุกตัวเราด้วยพุทโธพุทโธทุกเวลาทุกเวลาด้วยแล้ว ย, ยิ่งสำคัญมากนั่งอยู่นี่แหละพุทโธพุทโธนี่คือ ง, งาน ให้เราคิดว่าเป็นงานที่เรา mm. i. ทำไปจําทำอย่างนี้แหละทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนยกเว้นจะนอนหลับเพราะมันปลุกสติของเราทุกระยะสติของเราพามันตั้งขึ้นแล้วมันก็มันก็หย่อนลงตั้งขึ้นแล้วก็หย่อนลงตั้งขึ้นแล้วก็หย่อนลงเราฝึกเรื่อยๆมันจะเริ่มมีกําลังขึ้นมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นจะเริ่มแข็งแรงขึ้นจนกว่ามันจะอยู่โร่เสมอตัวเนี่ยสติของเราเนี่ยถ้าเราตั้ง ตั้งตื่นรู้โกรธเสมอตัวมันสว่างตลอดมันไม่ไปที่ต่ํามันจะไปที่สูงนะถ้าเราพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษเห็นอะไรตอนนั้นเนี่ยตายพร้อมกับได้ธรรมะละทุกละละละทุกละโทษได้เป็นชั้นเป็นภูมิไปสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ตอนใกล้จะตายมีเยอะเลยเพราะไปได้ยินได้ฟังเสียงอนักเสียงธรรมแต่ว่าทำตอนก่อนนั้นยังไม่ได้ พอเวลาขับขันเข้ามาแล้วก็มาตั้งอกตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตอนนี้จิตเข้าถึงพร้อมกับใจขาดไปพอดีหมดไม่ต้องมาเสิดมาแก่มาเก็บมาตายทุกทรมานเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิห์หนึ่เดียวมีเป็นกติที่พุทธิจารทนสอนเป็นคติที่พุิจารทานสอ น, <ม> น, น จ, จับได้หรือเปล่าฟังได้หรือเปล่า โหมดให้พุทโธพุทโธไปตอนนี้ไม่ต้องตอนตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วไม่คิดอะไรเลยไม่ไม่ไม่ห่วงอะไรเลยใช่ไหมลูกก็ไม่ต้องห่วงแล้วเขาโตมาแล้วหลานก็ไม่ต้องห่วงมีพ่อมีแม่เขาดูแม่กินตาก็ไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องห่วงอะไรเราไม่ต้องห่วงอะไรเราห่วงอย่างเดียวคือห่วงพุทโธ เพราทโธมันปลุกจิตของเราให้ตื่นทุกเลยะทุกเวลา ท, ที่เราไปไม่ได้ดีเราไปไม่ถึงดีก็เพราะว่าจิตของเรามันตกต่ําถ้าจิตเราปลุกตื่นรู้สว่างรูเนี่ยจิตจะไม่ไปต่ำมันจะไปสูงอันนี้เป็นคติตั้งทั้งเขาทั้งเราทั้งท่านเราพยายามทําให้ได้อย่างเนี้มันจะทําให้เรามัเสียไม่เสียท่าเสียทียถึงจะไม่ได้ตอนที่เราอยู่เย็นเป็นสุกมีเรี่ยวมีแรง แต่มันก็ช่วยเราวราระสุดท้ายสมัยพุทธคามันเยอะไปเลยถ้าเรียกว่าสมะศีสีสมะศีสีตายพร้อมกับพระได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นประอาหานเลยนะเพราะว่ามาัตั้งเงื้อตั้งตัวได้ตอนนี้เราไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็จะส่งไปเราสูงจะส่งเราไปสูงมากท่านจุดไม้ประมาทตอนนี้สําคัญมากตอนนี้ให้ศึกษ้ายเข้าใจตรง น, นี้มีชาวพุทธเราได้เปรียบตรง น, นี้ ถ้าเอาไปเทียบกับพวกเขาถือคริสเขาถืออิสลามเขาถืออะไรต่ออะไรแล้วแต่พระเจ้าจะป้อนอะไรมาก็ไม่รู้พระเจ้าเขาไม่ได้สอนว่าตายแล้วเกิดอีนะเขาไม่ได้สอนว่าตายแล้วเกิดอีมีพุทธเจ้าองค์เดียวที่สอนว่าตายแล้วเกิดอีศาสนาพระเจ้าทุกๆศาสนาไม่ได้สอนว่าตายแล้วเกิดอีก็เหมือนอย่างพระคริสเขาสอนตายแล้วนู่นอ่า รอพระเจ้ามาพิพากษาโลกเมื่อไหร่มาพิพากษากรไม่รู้หลังจากพระเจ้าพิพากษาโลกเสร็จแล้วเราอาจจะคืนชีพอะไรคืนชีพอัตว่าร่างกายที่ฝังอยู่นี่แหละคืนชีพมันเป็นดินไปหมดแล้วมันจะคืนชีพมาได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าท่านแสดงหมายว่าจิตคือผู้รู้ของเราไปจับจองใหม่ไปจับจองยังไงกเหมือนอย่างไปจับจองในท้องแม่เนี่แหละ ไม่เริ่มตั้งคันพับนั่นน่ะไปจับจอกนั่นน่ะคือที่เกิดมันมีเหตุผลมันมีหลักฐานมันมีเหตุผลอยู่สทุกๆอย่างมันมีต้นกําเนิดของมันพกเป็ดพวกไก่พวกนกมันก็เกิดในไข่ไข่ก่อนที่มันจะออกมามันก็เจริญอยู่ในท้องแม่ของมันออกมาเป็นไข่ความจะฟักออกมานั่นคือต้นกําเนิดของมันมีประเภทประเภทว่าชะลาพุชะอันทชชะสังเสดทัช แอาประเภทโอปปาติกะสันนรกเออยเทวดาเออยอันนี้เขาไปผุดขึ้นเลยไปด้วยอำนาจของกรรมต้นรกก็ปั๊บไปเกิดเป็นสันนรกเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ร ก, กรรมเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาไปเป็นเทวดาก็เหมือนกันไม่ไม่มีพ่อไม่มีมไม่มีแม่เพราะกรรมเขาถึงเขามีที่ดีมีโอตปะอ่อเขาไปอบัติเป็นเทวดาบนสวรรค์ไม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พวกเราอันทชิชะสังเสยติช่าง ชลาผุชช้าเป็นมนุษย์ชลาผุ้ชา้าเกิดในคันอันทะช้าเกิดในไข่สังเสริฐช้าไอ้พวกนอนตัวอะไรยั่วเยี่ยมันเกิดตามเปลือกตามตมที่ตมนี่เขาพูดถึงกำเนิดแต่พวกนั้นเขาไม่ได้พูดถึงกำเนิดเพราะเขาไม่ได้สอนว่าตายแล้วเกิดพระเจ้าพระเจ้ามาพิพากษาโลกพระเจ้าพิพากษาโลกเสร็จแล้ววิญญาณจะคืนชีพคืนชีพได้ยังไงมันเป็นดินไปหมดแล้ว เ <ST AN CE> มื่อวานนี้มีมไอไอไอนักสอนศาสนาคริปก็ามาจากอินโดนีเซียเราไม่รู้ภาษาคุยกัจนจ้องนิดหน่อยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอก <ST AN CE> เราจะถามเขาลึกๆแล้ว ก, ก็ไม่รู้จะถามอะไรเราไม่ภาษาเราไม่ได้เก็ส อ, อนเป็นงั้นแต่ว่าการิรียกรำก็ช่วยเขาดีแค่นั้นขั้นนั้นระดับนั้น เราไม่ปฏิเสธความดีที่เขาถือศาสนาเขาเขาก็ดีขันนั้นระดับนั้นแต่พุทธเจ้าของเราสอนจนสุดเลยสอนจนสุดสอนพวกเรามีแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้เกิดเพราะแก่เจ็บตายมันมาจากอะไรมันมาจากเกิดถ้าไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไอ้พวกเรามาทุกข์กับแก่กับเจ็บกับตาย ก็เหมืออย่างที่เราเป็นเป็นอยู่เนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนม่ให้เกิดไอ้วิธีการที่ทำไม่ให้มันเกิดมันมีอยู่เป็นแนวที่พุทธเจ้าท่านสอนครูบาอาจารย์ท่านสอนเราดีไหมสอนให้เราเกิดมันเกิดเพราะการยึดเพราะการถือมันไปยึดไปถือเพราะมันอยากมันอยากเพราะอะไรเพราะมันสําคัญมั่นหมายในทางที่ผิดสําคัญมั่นหมายในทางที่สําคัญมั่นหมายว่าดีสําคัญมั่นหมายว่าไม่ดีมันก็ยึดเอายึดเอายึดเอา ท่านสอนให้ละวางไอตัวความอยากตัวนั้นเดี๋ยวนี้ความอยากในใจของเรามีไหมมีเราพยายามมาศึกษาสงบระงับดับความอยากใ น, ในใจของเราเพื่อสงบระงับดับความเกิดไม่เกิดเพื่อที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในเมื่อมันไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไม่รู้อะไรจะมาแก่ไม่มีอะไรจะมาเจ็บไม่มีอะไรจะมาตายมันไม่มีแต่ถ้ารู้ของเราไม่ดับสลายหายไปไหนแต่มันบริสุทธิ์หนึ่งเดียว มันไม่มีสองมันไม่ได้ไปโดดดิ้นไปอยากไปงนนอยากไปนี่เพราะทําลายความอยากหมดแล้วออันนี้เป็นคติที่พุฏิอาจาท่านสอนนะพวกเราระมัดระวังอย่างนี้ได้เราได้ข้อปฏิบัติในทางรัดได้ได้บุญทางรักแค่เราต้องใจให้ทานมากๆอะไรก็ได้ต้งใจรักษาศีลมากๆอะไรก็ได้ยังเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้แต่ก็ยังเป็นพื้นฐาน จึเป็นพื้นฐานให้เราอยียบให้เรานั่งอยู่ได้ไม่ทําให้เราตกต่ําไปแต่ถ้าศีลไม่มีด้วยทําไม่มีทําโดยเฉพาะจริยธรรมเราไม่มีด้วยอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจะทําให้เราเตกต่กําเข้าไปเรื่อยตกต่าเข้าไปเรื่อยเมืเช้าลุงปู่ลุงปู่เจริญท่านเทศถึงเรื่องศีลเนี่ยเด็ดขาดมากอาจารย์ไม่แดดแล้วอ่านไหมโอ้ท่านเทศเด็ดขาดฟังสนุกแซ่บมากเลยแหละแต่ว่าแต่ว่าไอคนที่เขาฟังฟังเขาฟัง ฟังออกหรือเปล่าสำหรับฟังเราเนี่ยเราชอบฟังเราเป็นนักฟังอยู่แล้วโอ้ลูกผู้พูดดีมากเป็นคำเป็ดขาดมากพยายามย้ำย้าย้าให้พวกเราเห็นคุณของขีนเห็นโทษของความไม่มีศีลไม่ชมั่พูดอย่างถึงใจทำเป็นนักเทศเก่าพูดไม่มีติดขัดเลยยกคติทั่วยางอะไรก็ไรพจดเืิน อยู you, you want the ่วัดก็อดอีก